ตัวเธอเ็นก็ห้าสิบกว่าแล้วเวลากลับไปเยี่ยมบ้านแม่ก็มักจะบ่นอะไรต่ออะไรมากมายให้เธอฟังแล้วก็มักจะเป็นเรื่องซ้ำๆเรื่องเดิมๆเรื่องเพื่อนบ้านมัง เรื่องสามีบ้างบางทีก็เป็นเรื่องของพี่ชายแต่และเรื่องที่เล่าเรื่องที่บทที่ก็ฟังแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจแต่ก็ต้องฟังแล้วฟังอีกบางเรื่องก็บนเกี่ยวกับตัวเธอเอง หรืออาจจะพูดแบบอ้อมอ้อมฟังแล้วก็เกิดความหงุดหงิดเกิดความรำคาญแล้วพอเจออย่างนี้บ่อยๆเข้าก็รู้สึกเป็นทุกข์บางทีก็อดที่จ ะ, ะต่อว่าหรือว่าตอบโต้กลับไป ให้แม่ฟังเอก็ถามว่าจะทำยังไงดีนะก็เลยพูดแนะนำหรือให้กำลังใจเธอว่าเนี่ยให้อดทนเอาไว้เพราะว่าการที่แม่บ่นแม่ระบายเนี่ยแล้วมีคนฟังเนี่ยมันก็ช่วยบรรเทาความทุกข์ความหงุดหงิด ความโกรธความอัดอั้นตันใจของแม่ได้คนเราเมื่อบ่นแล้วก็อยากจะมีคนฟังพอบ่นแล้วมีคนฟังก็สุกสบายใจขึ้นแม้จะชั่วครา ว, วก็ถือว่ามันเป็นการช่วยแม่วิธีหนึ่งคนที่เป็นลูกนะเมื่อแม่แก่ชาราเนี่ย ถ้ามีอะไรที่ช่วยท่านได้เนี่ยก็ควรทำก็ที่จริงการฟังเรื่องที่แม่บ่นเนี่ยมันก็ไม่ได้ลงทุนอะไรมากก็เพียงแต่ใช้เวลาก็ะความอดทนมันเป็นการช่วยที่ไม่ได้เรียกร้องอะไรจากเรามากเลย ไม่เหมือนเวลาแม่เจ็บแม่ป่วยแล้วลูกต้องดูแลแม่เียโอ้มันมันต้องทุ่มเทหลายอย่างทีเดียวนี่ท่านก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยก็เพียงแต่อยากจะมีคนฟังนเป็นการช่วยท่านโดยที่เราก็ไม่ได้ต้องลงทุนอะไรมาก แล้วก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรมากเพียงแต่วางใจให้ถูกแล้วก็พูดเตือนกันไปนะว่าเนี่ยโอกาสที่จะได้ฟังแม่บ่นนี่มันก็เหลือน้อยลงไปทุกทีทุกทีนะเพราะไม่ช้าก็เร็วเนี่ยลูกสาวก็จะไม่ได้ยินเสียงบ่นของแม่และ อันนี้ก็จะมองว่าเป็นการให้กำลังใจก็ได้นะก็คือว่ามันมีวันสิ้นสุดนะเสียงบนของแม่เนี่ยเพราะแม่ก็80แล้วแต่แง่หนี่ก็ทำให้ตระหนักว่าเนี่ยการที่แม่ยังมีเรี่ยวแรงหรือมีเสียงบนให้เราฟังเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะ ก็เธอเมือถึงวันที่ไม่มีเสียงบ่นจากแม่อีกไม่ใช่แค่ไม่ได้ยินนะแต่ว่ามันไม่มีเสียงบ่นเลยตอนนั้นแหละที่เราจะนึกเสียดายอยากให้มีอยากได้ยินเสียงแม่บ่นอีกครั้งหรือว่าบ่นอีกหลายครั้งก็ได้ให้การที่มีเสียงบ่นของแม่เนี่งแสดงว่า ท่นยังอยู่กับเรานะแต่วันใดที่ท่านไม่อยู่กับเราแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีเสียงบนอีกต่อไปและถึงตอนนั้นแหละนะที่เราจะนึกอยากได้ยินเสียงบนของแม่แต่ไม่ว่าจะนึกอยากยังไงมันก็ไม่มีเสียงบนของแม่ให้เราได้ยินอีกแล้วนอกจากในความทรงจําอันนี้ก็พูดจะเรียกว่า ทังเตือนสติแล้ก็ให้กําลังใจนะว่ า, าเสียงบนเนี่ยมันจะเราจะได้ยินอีกไม่นาน อ, อันนี้จะสำหรับคนที่ไม่อยากได้ยินเสียงบนก็นี่คือกําลังใจนะว่าทนอีกหน่อยจากขณะเดียวกันก็เป็นเสียงเตือนน้ว่าเนี่ยวันที่ไม่มีเสียงบนจากแม่แล้วเนี่ยะจะเป็นวันที่ เราคหนคิดถึงเสียดายอยากได้ยินเสียงบนของแม่อีกแต่มันไม่มีโอกาสนั้นอีกแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งนะสนิทกับพ่อมากเลยตั้งแต่เล็กเพราะว่าแม่เนี่ยเสียไปตั้งแต่เขายังเล็กแล้วพ่อก็เลี้ยงเขาเหมือนลูก ก็ก็เหมือนเพื่อนคือใกล้ชิด ก, กันมากพ่อก็พาลูกไปเที่ยวที่โน่นที่นี่ก็คุ้นเคยกันตอนหลังลูกก็พอเรียนจบนะก็ได้งานดีแต่ก็เป็นงานที่ต้องทุ่มเทเพราะเป็นงานเกี่ยวกับธุรกิจ นที่กำลังเติบโตตัวเขาเองก็จะรับความมอบหมายไว้วางใจจากผัวหน้านะให้รับผิดชอบงานสำคัญเพราะนั้นเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยมันไม่ใช่แค่เลิกงานแล้วกลับบ้านได้เลิกงานแล้วก็ต้องนะทำงานต่อต้องมีประชุมต้องมีการพบปะ ลูกค้าตอนที่เขาเริ่มจบใหม่ๆเนี่ยนะเขาก็บอกพ่อว่าเนี่ยเมื่อทำงานมีเงินก็อยากจะพาพ่อไปเที่ยวแต่ว่าพอได้งานที่ดีแล้วก็ ไม่มีเวลาพาพ่อไปเที่ยวหรือแม้แต่เวลาที่จะกินข้าวด้วยกันสมัยที่เขาเป็นเด็กสมัยที่เรียนหนังสือหรือเป็นนักศึกษานี่แม้ข้าวเช้าอาจจะไม่ได้กินด้วยกันนะแต่ว่าข้าวเย็นนี่ได้กินกันได้กินกับพ่อนี่ทุกทุกเย็นทุกคืนเลยแล้วพ่อนี่ก็ขยันทําอาหารทําครัวให้ลูก แล้วก็เรียกร้องพ่อเรียกร้องวัเนี้ลูกก็เื่อ ง, งานใส่ก็กลับมากินข้าวบ้า น, นกับพ่อนะแต่พอได้งานแล้วได้งานดีแล้วก็แทบจะไม่มีเวลากลับไปกินข้าวกับพ่อที่จริงก็อยู่บ้านเดียวกันนะแต่กว่าจะกลับบ้านก็ดึกพ่อนนี้ก็ขยันโทรศัพท์นะ ถามลูกนะประมาณห้าหกโมงเย็นเนี่ยนะถ้าลูกไม่กลับบ้านนี่พ่อก็จะโทรไปถามลูกแนละ้วว่าจะกลับบ้านเมื่อไหร่พ่อจะรอกินข้าวด้วยกันอันที่แรกเขาก็ที่แจงอธิบายว่าเนี่ยวันนี้กินกลับไปกินไม่ได้นะเพราะว่าติดภารกิจ แต่ต่หลังพอพ่อโทรบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าจะเรียกว่าแทบทุกวันเลยเขาก็เริ่มรู้สึกลำคาญต่อหลังเนี่ยพอได้ยินเสียงโทรศัพท์หรือเสียงริยโทนจากพ่อนี่แค่ได้ยินเท่านัา้นแหละนะหงุดหงิดขึ้นมาเลยต่อหลังปิดเสียงแต่แค่เห็นเบอร์เนี่ย ของพ่อโทรมางุดมงิดลำคาญนึกในใจว่าคุยกันไม่รู้เรื่องถึงไงว่าว่าผมไม่มีเวลาผมไม่ว่างไม่บางทีมันไม่ได้ว่างไม่ว่างวันชัว่ววันธรรมดานะเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ว่างด้วยแล้ววันหนึ่งพ่อก็ป่วยหนักแล้วสุดท้ายพ่อก็จากไป นับแต่นั้นมาเนี่ยมันไม่มีเสียงโทรศัพท์จากพ่ออีกเลยจ้ถึงตอนนั้นเนี่ยเขาสึกเสียใจมากนะรู้สึกอยากจะได้ยินเสียงโทรศัพท์จากพ่ออีกอเสียงโทรศัพท์ที่ก็เคยรำคาญหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่เขาเคยค ห, หยยยคยงุดหงิดที่เห็นเนี่ยแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้ว อยากเห็นเบอร์โทรศัพท์พ่อโทรมาอีกอยากได้ยินเสียงริงโทนของพ่อแต่ว่ามันไม่มีแล้วเพราะพ่อไม่อยู่แล้วความหมายมันต่างกันเลย น, นะไอ้ตอนที่พ่อยังอยู่เนี่ยนะเสียงริึงโทนเนี่ยคือเสียงแห่งความลำคานเสียงริงโทนจากเบอร์โทรศัพท์พ่อนะมันคือเสียงที่ชว น, นํำคาน แต่ว่าถึงตอนนี้เนี่ยเมื่อพ่อจากไปแล้วเนี่ยเสียงรงโทนนี่มันกลับเป็นเสียงที่มีความหมายใหม่มันเป็นเสียงที่แสดงว่าพ่อยังอยู่กับเราแต่ว่าไม่เคยคิดแบบนี้เลยตอนนั้นคิดแต่ว่ามันเป็นเสียงที่น่ารำคาญขัดขวางการประชุมหรือว่าขัดขงขัดขวางการสนทนากับลูกค้า พอคิดแบบนี้เข้าเนี่ยมันก็รู้สึกหงุดหงิดรำคาญที่เห็นที่ได้ยินได้ยินเสียงหรือว่าได้เห็นเบอร์แต่ว่าพอพ่อตาไปแล้วในความหมายมันเปลี่ยนไปละเสียงหนึ่งโทนเนี่ยมันเป็นเสียงแห่งความห่วงใยของพ่อมันเป็นเสียงที่แสดงว่าพ่อยังมีชีวิตอยู่บางทจึงอยากได้ยิน อันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันเตือนใจเราได้ดีนะสำหรับคนที่รําคาญรําคาญพ่อแม่เนี่ยรำคาญพ่อที่บ่นรำคาญแม่ที่ชอบเรียกร้องขยันขยอบางทีก็ขยันขยอยกินข้าวให้ลูกก็อิ่มแล้วบอกไม่อยากกินพราแม่ก็ขยันขยอลูกก็ราคาญนะกําลังเล่นโทรศัพท์อยู่ แม่ขยันขยอว่าได้เวลากินข้าวแล้วไอ้ลูกก็บอกยังไม่หิวแม่ก็ยังไม่เลิกขยันขยอยลูกลาคานขึ้น ม, มาบางทีก็ตะว่าใส่แม่ก็หลบเดียวกันนะพอแม่ตายไปเนี่ยโอ้หมันโหยหานะโหยหาเสียงของแม่แม่จะเป็นเสียงที่มาเรียกร้องขาดคันหรือว่า เชินชวนให้กินข้าวก็แล้วแต่ความหมายมันเปลี่ยนไปแล้วไอ้ตอนที่เขา ย, ยังอยู่เนี่ยมันเป็นเสียงที่น่าํำคาญเป็นการกระทำที่น่าหงุดหงิดแต่พอจากไปแล้วเนี่ยไอ้การกระทำเดียวกันมันกลายเป็นการกระทำที่ลูกหยหามันก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านะกับคนจำนวนไม่น้อยเลย เพราะนั้นเนี่ ย, เ, ยเวลาเจอเสียงหรือเจอการกระทำอะไรที่น่ารำคาญของพ่อแม่เนี่ยนะให้นึกเอาไว้เถอะนะว่ามันอยู่กับเราไม่นานหรอกคนเอาหน่อยคนเอาหน่อยนะหรือมองให้ดีก็ไดนะ้คือว่ามันเป็นเสียงที่ต่อไปเราจะหอยหาเพราะฉะนั้นเนี่ย เปิดใจรับนะขอบคุณที่มีเสียงนี้เพราะมันแสดงว่าท่านยังอยู่กับเราแล้วพอคิดแบบนี้เข้ามันไม่ต้องใช้ความอดทนแล้วมันมีความรู้สึกเปิดใจพร้อมที่จะฟังซึ่งมันก็ไม่เคยไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความพยายามอะไรมากก็แค่ฟังท่านบนแล้วก็ทําใจให้เหมือนกับ กระถนกดรั่วกระถนก้นรั่วนี่เติมขยะลงไปแล้ก็ไม่เคยเต็มสักทีเพราะมันปล่อยหมดนะมันเป็นกระโถนก้นรั่วอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าลูกเนี่ยเขาระลึกอยู่เสมอนะว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยเขาอยู่กับเราได้ไม่นานแต่ส่วนใหญ่บางทีเราก็ไม่คเคยได้นึกนะ เพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมาก็เห็นพ่อเห็นแม่แล้วแล้วก็เห็นมาตลอดก็เลยคิดเอาว่าพรุ่งนี้ก็ยังมีท่านอยู่มาเรือนี้ก็ยังมีจะยังมีท่านอยู่เพราะว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรมาท่านก็อยู่กับเรามาตลอดไม่มีวันไหนที่หายไปจากโลกนี้ก็เลยคิดว่าพรุ่งนี้มารือนี้ท่านก็จะยังอยู่ นี่คือความประมาทมากมีพี่ญงคนหนึ่งนะเล่าว่าเธอไม่เคยชอบอาม่าเท่าไหร่อาม่านี่คือย่าอาม่านี่ปากร้ายแต่ก่อนก็ชอบว่าเธอตอนเป็นเด็กแต่พอโตแล้วเธอไม่ยอมให้ว่าอย่างเดียวแล้วตอบโต้ด้วยตอนหลังไปอยู่ย้ายไปอยู่บ้านอื่นกลับมาเจอมาซื่อไรก็ มีเรื่องนะตอบโต้กันไม่เคยมีการพูดดีๆกับกันเลยแล้วตอนหลังเนี่ยอาม่าก็ป่วยอาม่าป่วยเธอก็มีเกิดความขึ้ น, นมานะอยากจะไปเยี่ยมอาม่าอยากจะไปขอโทษขอคามาที่เคยพูดไม่ดีกับท่าน แต่ใจหนึ่งก็คิดไว่าอาม่าที่เป็นคนแข็งแรงนะคงไม่ตายง่ายหรอกมันอาจจะเป็นข้ออ้างนะของความรู้สึกที่ไม่อยากจะขอขามาเพราะรู้สึกว่าการขอขา ม, ามันเป็นการเสียหน้าไอจิตใจใยดีเนี่ยมันก็อยากจะขอขามาเพราะรู้ว่าทาไม่ถูกแต่ตัวอัตตาเนี่ยมันก็ไม่อยากจะทำอย่างนั้น มันก็เลยสรรหาเหตุผลมาว่าเนี้ยอา ม, ม่ายัางแข็งแรงอา ม, ม่าไม่ตายง่ายหรอกเอาไว้วันหลังก็ได้นขอขามาเนี่ยขออโหเสียวันหลังก็ได้ก็ผัดผ่อนไปเรื่อยจนยกะทั่งเช้าวันหนึ่งแม่ปลุกมาปลุกลูกสาวแล้วบอกว่าอา ม, ม่าตายแล้วโอ้เธอเศร้ามากเลยเนะ ในวันที่ไปคารวะศพเนี่ยร้องไห้หนักเลยนะร้องไห้หนักเพราะรู้สึกผิดรู้สึกเสียใจว่าทําไมเราไม่ขอขมาท่านตอนที่ท่านยังอยู่มันทั้งสิทั้งเสียดายโอกาสแล้วก็รู้สึกเสียใจรู้สึกผิดจะขอขมาท่านมันก็สายไปแล้วเพราะว่าท่านไม่อยู่แล้ว อันนี้ก็เรียกว่านะเป็นความประมาทนะเป็นความประมาทซึ่งมันจะไม่เกิดขึ้นเลยนะถ้าเกิดตระหนักว่าอามา น, นี่หรือว่าพ่อแม่ของเรานี้จะอยู่ได้อีกไม่นานอะไรที่ควรทําก็รีบทําซะอะไรที่ช่วยท่านก็ก็ช่วยแม้จะ ทำให้ชวนหงุดหงิดชวนลำคาญก็ก็อดทนหน่อยถือว่าเป็นการช่วยท่านในการที่คนเราเนี่ยเราลึกถึงความไม่เที่ยงดยเพราะของคนที่อยู่รอบตัวเราคนที่เราเคารพเช่นพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่เนี่ยสำคัญนะ อันนีจังเนี่ยมันเป็นหลักธรรมสาคัญในพุทธศาสนาแล้วก็เป็นความจริงที่ไม่มีใครหนีพ้นแล้วก็มันมีทิพนต่อชิงคนเรามากไม่มีใครหนีพ้นเลยอันนี้จังอันนี้จังเนี่ยเป็นคําสอนที่สําคัญในพุทธศาสนาในแง่นหนึ่งเนี่ยท่านก็สอนเพื่อให้เรารู้จักปล่อยวางอะไรที่มันสูญไปแล้วเสียไปแล้ว ก็่าไปเศร้าโศกเสียใจรือเป็นทุกข์มากเพราะมันไม่เที่ยงบางทีเราก็ใช้เป็นคำปลอบใจอ น, นิจจาอ น, นิจจาอนิจจารนี่มันเป็นทั้งสิ่งที่ช่วยปลอบใจแล้วก็ช่วยให้เราทำใจทำใจคือปล่อยวาง แต่ว่าอันนี้จาหรืออ น, นิจังนี่มันมีความหมายหรือมีคุณค่ามากกว่า น, นั้นนะมันเป็นสิ่งที่เตือนใจให้เราเนี่ยอย่านิ่งนอนใจปอบใจก็ดีนะถ้าว่ามันเกิดขึ้นแล้วแต่ถ้ามันยังไม่ทันจะเกิดขึ้นเนี่ยก็อย่านิ่งนอนใจเพราะมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ คนเราใช้อ น, นิจจังเนี่ยมักจะใช้เพื่อการปลอบใจหรือใช้เพื่ออย่างมากก็ปล่อยวางแต่มันไม่พอนะมันต้องฝึกมันต้องเตือนให้เราไม่นิ่งนอนใจด้วยก็คือไม่ประมาทเมื่อไม่นิ่งนอนใจมันก็ทำให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะทำอะไรที่ควรทำเนะช่น อยากจะรีบขอขมาอยากจะขอขมาก็รีบทำซะอย่าอย่าประมาทหรือว่าอยากจะทำดีกับใครอยากทำดีกับพ่อแม่ก็รีบทำซะอย่าผัดผ่เพราะถ้าผัดผ่อแล้วก็อาจจะเสียใจบางทีเสียใจไปตลอดชีวิตเลยเพราะว่ารู้แล้วไม่ทำมันยิ่งเสียใจเข้าไปใหญ่ถ้าไม่รู้ไม่คิด มันก็ยังไม่เท่าไหร่นะแต่รู้แล้วคิดจะทำแต่ว่าก็ไม่ทำเพราะผัดผ่อนเพราะว่าไม่ได้อันนี้เรียกว่าเพราะประมาทนะเพราะว่านิ่งนอนใจมันไม่ใช่เฉพาะกับคนที่เรารักเท่านั้นนะจะรวมถึงตัวเราเองด้วยนะตัวเราต่อไปก็ต้องแก่ชาราต้องเจ็บต้องป่วยแล้วก็ต้องตายนี่ก่อนนิด จ, จังแล้วก็ทุกขังเท่านั้นแหละ นั่นเมื่อรู้เช่นนี้ล้วก็ไม่นิ่งนอนใจล้วก็ตั้งใความไม่ประมาทอะไรที่ควรทำก็ทำอย่างเช่นอย่างนี้นแล้วก็ชะลอให้มันเกิดขึ้นช้าลงเช่นความแก่ความเจ็บความป่วยด้วยการดูแลรักษาสุขภาพให้ดีขณเดียวกันถ้ามันเกิดขึ้นก็รู้จักวางใจจะวางใจให้ได้ให้ดีก็ต้องฝึกการไม่ประมาทคือการฝึกใจเพื่อที่จะรับมือกับสิ่งเหล่านี้ เพื่อว่าใจจะได้ไม่ทุกมากนะมันแก่ก็แก่แต่กายแต่ว่าใจไม่ทุกมันป่วยก็ป่วยแต่กายแต่ใจไม่ป่วยเขาของทรัพย์สมบัติก็เหมือนกันนะอันนี้จังก็คือมันต้องเสื่อมแต่การที่มันยังไม่เสื่อมก็ช่วยกันก็ขนขวายในการรักษามให้มันอยู่ น, น, นานๆหน่อยแต่เมื่อถึงเวลาที่มันจากไปก็ปล่อยวางของเสียก็เสียไปแล้ว อย่าไปทุกข์กับมันมากของหายก็หายไปแล้วอย่าไปตื่นอกโชคขัวมากถึงตอนนี้ก็ปล่อยวางแต่ขณะที่มันยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยนะก็อย่าไปร้องให้มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นก็แล้วค่อยปล่อยวางเนะมันต้องเกิดความรู้สึกไม่ไม่ประมาทไม่นิ่งนอนใจโดยเฉพาะกับเรื่องที่สําคัญนั่นคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนที่เรารักไม่มีชายหนุ่มคนหนึ่งนะ มีปัญหากับแม่อยู่เนืองๆตามภาษาวัยรุ่นแม่ก็ชอบสอ น, นลูกก็ต้องการเป็นตัวของตัวเองแถมคิดว่าตัวเองฉลาดก็ชอบทะเลาะชอบตอบโต้แล้วก็งุ่มงิดลำคาญแม่แสดงอาการออกมาแล้ตอนหลังเนี่ยก็มาเรียนรู้เรื่อง ความไม่เที่ยงของชีวิตมาตระหนักถึงความตายของคนที่ใกล้ตัวลงตั้งพ่อแม่เกิดได้คิดขึ้นมาก็เลยเตือนใจตัวเองว่าเนี่ยให้ปฏิบัติกับแม่เหมือนกับว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่แม่จะได้อยู่กับเราหรือวันสุดท้ายที่เราจะได้อยู่กับแม่พอเตือนใจแบบนี้นะโอ้มันทำให้ใส่ใจ กับแม่มากขึ้นอดทนกับแม่มากขึ้นไม่เอาแต่ใจตัวแต่ว่าโอนอ่อนนะตามความต้องการของแม่ด้วยนะแต่ก่อนนี่จะเอาแต่ใจตัวเอาถูกเอาผิดตามความเห็นของตัวโดยที่ไม่สนใจความเห็นของแม่หรือความต้องการตัวต้องความและความห่วงใยของเขานะตอนหลังก็คือแม่ไม่เห็นด้วยนะแต่ว่าก็ เป็นความสุขของแม่แล้วก็ยอมก็เพราะว่าความส่ำช้ากับแม่ดีขึ้นนะถึงจุดหนึ่งมันก็รู้สึกว่าไม่ไมใช่เรื่องของความอดทนแล้วมันไม่ใช่เรื่องความอดทนแต่ไม่เรื่องความยินดีก็เหมือนลูกสาวนะที่รำคาญแม่ที่แม่ชอบบ่นเนี่ยถ้าวัาตถนาค่ะว่าเนี่ยมันจะสุดท้ายมันก็จะมีวันหนึ่งที่ไม่มีเสียงบ่นจากแม่แล้ว แล้วถึงวันนั้นจะเป็นวันที่เศร้ามากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็อย่าไปลาคาลเลยนะรับออฟังเสียงบ่นของแม่ด้วยความขอบคุณว่าวันนี้แม่ยังอยู่กับเราไม่ใช่ว่าลาคาลแล้วเสร็จแล้ววันลุวันต่อต่อมาก็พอแม่ไปแล้วพอมานึกเสียดายว่าทำไมเราไม่ฟังแม่ด้วยความตั้งใจทำไมเราบน่นกลับไปตอบโ่อโกลับไปทำไมเราหงุดหงิดนะ อันนี้ก็คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับคนที่ไม่ได้ตระหนักนะถึงความเป็นอนิจจังของคนที่เรารัะ